เคราะห์ความหมายของไตรลักษณ์ข้อที่สองทุกขตาและทุกขลักษณะคำพีปฏิสามพิธามักแสดงอัฏฐของทุกขตาไว้อย่างเดียวว่าทุกขังพยัดเทนะชื่อว่าเป็นทุกโดยความหมายว่าเป็นของมีภัยที่ว่ามีภัยนั้นจะแปลว่าเป็นภัยหรือน่ากลัวก็ได้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 ส่วนคมพีชันอัตกถาขยายความหมายออกไปโดยในยะต่างๆคำอธิบายที่ท่านใช้บ่อยมีสองในยะคือชื่อว่าเป็นทุกข์โดยความหมายว่ามีความบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยความเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายทั้งบีบคั้นขัดแยง้งต่อประดาสิ่งที่ประกอบอยู่กับมันและทั้งมันเองก็ถูกสิ่งที่ประกอบอยู่ด้วยนั้นบีบคั้นขัดแยง้งและชื่อว่าเป็นทุกข์ เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุก s. <S คือเป็นที่รองรับของความทุกข์หรือทําให้เกิดทุก <ừ> เช่นก่อให้เกิดความรู้สึกทุกพูดให้ง่ายก็ว่าที่เรียกว่าเป็นทุกข์ก็เพราะทําให้เกิดความรู้สึกทุกขเป็นต้นหรือที่เรียกว่าบีบคั้นก็เพราะทําให้เกิดความรู้สึกบีบคั้นเป็นต้นความหมายที่ท่านประมวลไว้ครบถ้วนที่สุดมีสี่ไตรย คือเป็นทุกข์ด้วยอัตตะสี่อย่างดังนี้ทุกข์อัตตะที่หนึ่งอภินหะสัมปติปีรณาโตเพราะมีความบีบขั้นอยู่ตลอดเวลาคือถูกบีบขั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยความเกิดขึ้นความเสื่อมโทรมและความแตกสลายและบีบขันขัดแย้งอยู่ตลอดเวลากับสิ่งที่ประกอบอยู่ด้วยหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วยต่างก็เกิดขึ้นต่างก็โทมไปต่างก็แตกสลาย ทุกอัตตาที่สองทุกขมตโตเพราะเป็นสภาพที่ทนได้ยากคือคงทนอยู่ไม่ไหวหมายความว่าคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จะต้องเปลี่ยนจะต้องกลายจะต้องหมดสภาพไปเพราะความเกิดขึ้นและความโสมสลายนั้นความหมายในภาษาไทยที่แปลตามตัว อ, อักษรว่าทนได้ยากอาจให้รู้สึกว่าเข้ากันดีกับทุกขเวทนา เช่นความเจ็บปวดซึ่งอาจอธิบายได้ว่าเป็นสิ่งที่คนทนได้ยากแต่นั่นเป็นเพียงถ้อยคำแสดงความหมายที่พอดีมาตรงกับความรู้สึกความจริงความหมายนั้นเป็นสำนวนในภาษาบาลีซึ่งหมายถึงคงทนอยู่ไม่ได้หรือคงสภาพอยู่ไม่ได้ซึ่งเป็นลักษณะของสังขารทั้งหมดทุกอย่างดังได้อธิบายข้างบนนั้นทุกอัตตที่สามทุกขวัตุโต เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกคือเป็นที่รองรับสภาวะแห่งทุกซึ่งก็หมายความด้วยว่าเมื่อโยงมาถึงคนหรือในแง่ที่คนเกี่ยวข้องก็เป็นที่ก่อให้เกิดทุก์เช่นทุกขเวทนาหรือความรู้สึกบีบคั้นเป็นต้นอัตถกถาและดีกาอธิบายว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกตาทั้งสและแห่งสังขารทุกทุกตาทั้งสาก็คือทุกขะทุกตาทุกที่เป็นความรู้สึกทุก วิปริณามรุกขตาทุกเนื่องด้วยความผันแปร ى, สังขารุกขตาทุกข์กตามสภาพสังขารทุกขอัตถาที่สี่สุขปะปฏิเขปโตเพราะแย้งต่อความสุขคือโดยสภาวะของมันเองที่ถูกปัจจัยทั้งหลายบีบขั้นขัดแยง้งและคงสภาพอยู่ไม่ได้มันก็ไปติดเศษหรือกีดกั้นภาวะราบรื่นคล่องสะดวกอยู่ในตัว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 ที่เรียกว่าทุกขเวทนาหรือความรู้สึกทุกข์ด้วยเมื่อใดทุกข์คือความบีบคั้นกดดันนั้นผ่อนคลายไปหรือคนปลอดพ้นจากทุกข์นั้นก็เรียกว่ามีความสุขหรือรู้สึกสุขยิ่งทำให้เกิดทุกข์คือบีบคั้นกดดันทำให้รู้สึกขาดพร้องกระหายหิวมากเท่าใดในเวลาที่ทำให้ผ่อนหายปลอดพ้นจากทุกข์หรือความบีบกดนั้น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 คือมีทุกขเวทนารุนแรงมากด้วยเช่นกันแม้แต่ทุกเพียงเล็กน้อยที่ตามปกติจะไม่รู้สึกทุกข์เขาก็อาจจะรู้สึกทุกข์ได้มากเหมือนคนที่อยู่ในที่ที่เย็นสบายมากพอออกไปสู่ที่ร้อนก็รู้สึกร้อนมากแม้แต่สภาวะที่คนอื่นๆหรือตัวเ้าเองเคยรู้สึกเฉยๆเขาก็อาจจะกลับรู้สึกเป็นร้อนไปพูดลึกลงไปอีก ให้ตรงความจริงแท้ว่าที่ว่าสุขเวทนาเป็นสุขหรือรู้สึกสุขนั้นตามที่แท้จริงก็ไม่ใช่ปลอดพ้นหรือหายทุกแต่เป็นเพียงระดับหนึ่งหรือขีดขั้นหนึ่งของทุกเท่านั้นกล่าวคือความบีบคั้นกดดันขัดแย้งที่ผ่อนหรือเพิ่มถึงระดับหนึ่งหรือในอัตราหนึ่งเราเรียกว่าเป็นสุขเพราะทาให้เกิดความรู้สึกสุข แต่ถ้าเกินกว่านั้นไปก็กลายเป็นต้องทนหรือเหลือทนเรียกว่าเป็นทุกข์คือรู้สึกทุกข์เป็นทุกเขเวทนาว่าที่แท้จริงก็มีแต่ทุกข์คือแรงบีบคั้นกดดันขัดแย้งเท่านั้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเหมือนกับเรื่องความร้อนและความเย็นว่าที่จริงความเย็นไม่มีมีแต่ความรู้สึกเย็นสภาวะที่เป็นพื้นก็คือ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 ทั้งในความหมายว่าเป็นทุกระดับหนึ่งมีสภาวะเพียงความรู้สึกและในความหมายว่าเป็นสิ่งที่ขึ้นต่อความบีบคั้นกดดันขัดแยง้งจะต้องกลายจะต้องผันแปร ى, จะต้องหมดไปเหมือนกับว่าทุกที่เป็นตัวสภาวะนั้นไม่ยอมให้สุกยืนยงคงอยู่ได้ตลอดไปอันหนึ่งในคำภีปฏิสัมพิธามักที่อ้างถึงข้างต้นว่า ท่านแสดงอัฏฐะคือความหมายของทุกข์ซึ่งเป็นข้อที่สองในไตรลักษณ์ไว้อย่างเดียวว่าพยัยเถนะเป็นสิ่งมีภัยนั้นเมื่อถึงตอนที่อธิบายเรื่องอริยสัจท่านได้แสดงอัฏฐะของทุกข์ซึ่งเป็นข้อที่หนึ่งในอริยสัจว่ามีสี่อย่างคือปีรนัตทะมีความหมายว่าบีบคั้นสังคตปะมีความหมายว่าเป็นสังคตะสันตาปะ มีความหมายว่าแผดเผาและวิปริณามัฏะมีความหมายว่าผันแปรเห็นว่าความหมายสี่ในยะนี้ใช้กับทุกในไตรลักษณ์ได้ด้วยจึงขอนํามาเพิ่มไว้ณที่นี้โดยตัดข้อซ้ําคือข้อที่หนึ่งปีละนัทธะและข้อที่สวิปริณามัถฐออกไปคงได้เพิ่มอีกสองข้อคือทุกขอัตฐะที่ห สังคตัตะโดยความหมายว่าเป็นของปรุงแต่งคือถูกปัจจัยต่างๆร่มกันหรือมาชุมนุมกันปรุงแต่งเอามีสภาพที่ขึ้นต่อปัจจัยไม่เป็นของคงตัวทุกอัตถะที่เจสันตาปัตถะโดยความหมายว่าแผดเผาคือในตัวของมันเองก็มีสภาพที่แผดเผาให้กร่อนโซมย่อยยับสลายไป และทั้งแผดเผาผู้มีกิเลสที่เข้าไปยึดติดถือมั่นมั่นให้เร่าร้อนกระวนกระวายไปด้วย